อดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลพราหมณ์เจริญวัยแล้วเร้าเรียนไตรเพศและสรรพศิลปะวิทยาในเมืองตะกัศลาครั้นบิดามารดาล่วงลับไปก็บวชเป็นดาบทรมอภิญญาและสมาบทให้โกรธแล้วทำนักอยู่ในป่าหิมพาน วันหนึ่งระดาบทเข้าไปสู่ชนบทเพื่อบริโภครถเปรียร้ยวเมเค็มๆบรรลุถึงพระนครพาราณสีอาศัยอยู่ในพระราชอุทยานรุ่งเช้านุ่งหม่มเรียบร้อยแล้วเข้าสู่พระนครเพื่อปึกษาเดินไปถึงพะรานหลวงพระราชากำลังทอดพระเนตรทางช่องพระแก่ทรงเห็นท่านแล้วทรงเลื่อมใสในอิริยาบท จึงรับสั่งให้อมารถู่หนึ่งไปนิมนต์พระดาบทมาอมารไปหาพระราบทไหว้แล้วรับภาชนะใส่ภิกษาจากมือพระดาบทกราบเรียนว่าข้าแต่พระคุณท่านผู้เจริญพระราชารับสั่งนิมนต์พระคุณเจ้าเราไม่ใช่นักบวชประจําราชสำนักเป็นนักบวชอยู่ป่าหิมพานต์ สมาตย์ไปกราบทูลความนั้นแด่พระราชาพระราชาตรัสว่าดาบออื่นทิพเป็นผู้ไก่ชิดของเราไม่มีจงนิมนต์ท่านมาเถิดสมาตก็ไปไหว้พระดาบอ ท, ทูลอ้อนวอนนิมนต์ให้เข้าไปสู่พราชวังจนได้พระราชาประนมกรเขารพพระดาบอแล้วอาราธนาให้นั่งเหนือบันลังทองภายใต้เสเวตชัตดให้ฉันโภชนามีรถเลิ่ต่างๆ ที่เขาจัดไว้เพื่อพระองค์แล้วรับสั่งถามว่าพระคุณเจ้าอยู่ที่ไหนอาตมาอยู่ป่าหิมะพานแล้วปัดนี้พระคุณเจ้าจะไปไหนอาตมากําลังสอดส่งเสนาสนะที่เหมาะสมแกฤดูฝนถ้าเช่นนั้นนิมนอยู่ในอุทยานของผู้โยมเถิดเมื่อพระราชาเสเวยเสร็จแล้วทรงพาพระดาบทไปสู่อุทยานรับสั่งให้สร้างบาารรณศาลา ไอ้กระทำที่พัก้างคืนและที่พักกลางวันทรงถวายบริหารสำหรับบรรพชิตทรงมอบหมายให้คนเฝ้าอุทยานดูแลและเสด็จกลับพระนครจำเดิมแต่นั้นพระดาบดก็อยู่ในอุทยานพระราชาก็เสด็จไปหาท่านทุกวันพระราชาทรงมีพระรสนามว่าทุตทากุมารเป็นผู้มีสันดานดุร้ายหยาบคายพระราชาและพระประยุรญาตทั้งหลาย แต่ก็ไม่สามารถจะฝึกหัดอบรมเธอได้พวกอมาะก็ดีพวกพราหมณ์และขหะบดีก็ดีแม้จะร่วมกันว่ากล่าวคุณแค้นว่าข้าแต่เจ้านายท่านอย่าได้ทําอย่างนี้เลยท่านนไม่น่าจะทําอย่างนี้ก็มีสามารถจะให้เธอเชื่อถือถ้อยคาได้พระราชาดํำริว่ายกเว้นพระดาบทผู้ทรงศีลเสแล้วคงไม่มีผู้อื่นที่จะ ชื่อว่าสามารถทรมานกุมาร น, นี้ได้เถ้าเธอทรงพาพระกุมารไปสํานักพระดาบทรับสั่งว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญกุมานนี้ดุร้ายหยากคายผู้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะอบรมฝึกสอนเธอได้พระคุณเจ้าโปรดหาอุบายสักอย่างหนึ่งอบรมเธอให้ด้วยเถิดทรงมอบพระกุมารแด่พระดาบทแล้วเสด็จหลีกไป พระดาบทชวนพระกุมารเที่ยวไปในอุทยานเห็นหน่อต้นสะเดาต้นหนึ่งเพิ่งมีใบสองสมามใบเท่านั้นคือแตกออกข้างละหนึ่งใบจึงกล่าวกับพระกุมารว่าเธอจงเคี้ยวกินใบของหน่อสะเดานั้นแล้วทราบรสไวเ้เถิดพระกุมารทรงเคี้ยวใบสะเดาใบหนึ่งเมื่อรู้รสแล้วทรงรีบท่มทิ้งที่แผ่น ด, ดินพร้อมทางเสมหะพระดาบทกล่าวว่า เป็นอย่างไรแล้วเนะโอ้ยต้นไม้นี้เปรียบเสมือนยาพิษร้ายแรงในบัดนี้ทีเดียวถ้าจเจริญเติบโตขึ้นคงจะฆ่ามนุษย์ที่เป็นอันมากพรางทรงถอนต้นเสดานั้นแล้วขยี้จนแหลกด้วยประหัตพระดาบทกล่าวว่าเรากล่าวถึงหน่อเสดานี้ว่าแม่ต้นจะเล็กมันยังขุมถึงเพียงนี้เมื่อมันโต จักเป็นอย่างไรอาศัยมันแล้วจะมีความเจริญมาแต่ที่ไหนแล้วถอนขยี้ทิ้งไปเธอปฏิบัติในหน่อเสดานี้ฉันใดแม่ชาวแว่นแคว้นของเธอก็ฉันนั้นจักพากันกล่าวว่าพระกุมาร น, นี้ยังเป็นเด็กอยู่ยังดุร้ายหยาบคายอย่างนี้เมื่อเจริญเติบโตครองราชสมบัติจักทาอย่างไรกันเล่าที่ไหนพวกเราจักอาศัยเธอพากัน จำเริญได้แล้วไม่ยอมถวายราชสมบัติอันเป็นของแห่งตระกูลของเธอจักถอดถอนเธอเสียเหมือนหน่อสเสดาแล้วขับไล่ออกไปเสียจากแว่นแควนเพราะฉะนั้นเธอจงละเว้นความเป็นคนดูุร้ายหยาบคายอันเปรียบเหมือนต้นสเสดาเสียจงถึงพร้อมด้วยความอดทนความเมตตาและความเอื้อเฟือ้อตั้งแต่บัดนี้ไปเถิด จำเดิมแต่นั้นพระปุมาณก็หมดมานะหมดพยศสมบูรณ์ด้วยความอดทนความเมตตาและความเอื้อเฟือ้อดำรงอยู่ในโอวาทของพระดาบทครั้นพระชนกล่วงลับไปแล้วก็ได้ครองราชสมบัติ ร้ายหยาบคายชอบข่มเหงรังแกคนอื่นย่อมไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม่ของพ่อแม่ของเขาแม่ของพี่น้องของเขาแม่ของบุตรภรยาหรือสามีของเขาแม่ของญาติมิตรของเขาดังนั้นจึงไม่ต้องกล่าวถึงคนอื่นเลยแม่คนดีๆเมื่อถูกความโกรธครอบงำแล้วก็กลายเป็นคนที่ดุร้ายนาหวาดวันเปรียบเสมือนอสรพิษที่กำลังเลื้อยมากัดคน เปรียบเหมือนโจรที่มุ่งแต่จะปล้นค่าผู้อื่นเปรียบเหมือนยักษ์มารที่ดุร้ายกินคนควรหรือที่เราจะปล่อยตัวปล่อยใจให้ความโกรธครอบงำแล้วทำตนให้ต่าเป็นที่นาลังเกียจของคนอื่นๆทึ้งเพียงนั้นเกิดเป็นมนุษย์ดีๆแล้วไม่ชอบใจไม่พอใจกลับไปชอบทาตัวต่าๆเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นโจรบ้างเป็นยักษ์มารบ้าง กล้ประพฤติสิ่งที่น่าละอายได้อย่างหน้าตาเฉยไม่ละอายทำลายความเป็นมนุษย์ของตนเองให้หมดไปด้วยการปล่อยตัวให้เป็นทาสของความโกรธคนมากโกรธแม้จะตกแต่งประประดาอย่างสวยงามก็ยังคงมีผิวพรรณเศร้าหมองไม่น่าดูอยู่นั่นเองแม้หน้าตาอันสวยงามดังพระจันทร์วันเพ็ญของเขาก็จะกลายเป็นเหมือนดอกบัวที่แห้งเหี่ยวเพราะถูกไฟล่น ผู้ที่ตายด้วยอำนาจความกวดย่อมไปเกิดในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีโรคมากตั้งแต่แรกเกิดทีเดียวทำให้ต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมารตหมาใดร้ายขบกัดหรือเห่าหอนเราอย่าย้อนขบกัดหมามันน่าขัน อันคนชั่วใจโหดก็เช่นกันจงหลีกมันอย่าถือสาหาความช้างกลางสงครามสมัยหนึ่งพระาศาสดาประทับอยู่ณนะกรุงกสัมพีพระนางมาคันธยา อ克拉รมเฮสีของพระเจ้าอูเทนได้มาเริยถึงความหลังที่บิดาได้ยกนางให้พระศาสดาเพราะเห็นว่าคู่ควรกันแต่ถูกปฏิเสธนางจึงผูกอาคาดในพระศาสดาเมื่อพระศาสดาเสด็จมาจากกรุงโกสมัมพีพระนางทรงจ้างผูกชาวเมืองรวมทั้งทาสและกรรมกรรับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงด่าบริพาธพระสมณโคดมผู้เสด็จเที่ยวเข้ามาในพระนครให้ตะลิดนีไป เมื่อพระศาสดาเสด็จเข้ามาในเมืองพวกมิชาทิธิผู้ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตยเหล่านั้นได้ติดตามด่าพระศาสดาด้วยคำที่ด่าสิบคำคือเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นพานเจ้าเป็นบ้าเจ้าเป็นอูดเจ้าเป็นวัวเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นสัตว์นรกเจ้าเป็นสัตว์ดิรัจฉานสุขติของเจ้าไม่มี เจ้าหวังได้ทุกขติอย่างเดียวท่านพระอา น, นุ์ฟังคําแล้วได้กราบทูลพระศาสดาชาวเมืองเหล่านี้ด่าว่าพวกเราพวกเราควรไปที่อื่นไปไหนอานอนท์ไปเมืองอื่นกันเถอะเมื่อพวกชาวเมืองนั้นด่าอีกเราจะไปที่ไหนกันล่ะอ น, อนุ์ก็ออกจากเมืองนั้นไปเมืองอื่นอีกอา น, นุ์ การกระทำอย่างนี้ไม่ควรเรื่องเกิดขึ้นในที่ใดเมื่อมันสงบในที่นั้นแลกจึงควรไปที่อื่นอานนท์ก็พวกธิดาเป็นพวกไหนเหล่าพวกชาวเมืองตลอดจนทาสและกรมกรพากันมาดาอานน์เราเป็นเช่นกับช้างที่เข้าสู่สงครามการอดทนต่อลูกศร ที่แล่นมาจากสี่ทิศเป็นภาระของช้างที่เข้าสู่สงครามฉันใดการอดทนต่อถ้อยคำที่คนทุศีลเป็นอันมากกล่าวแล้วเป็นภาระของเราฉะนั้นเราจะกดกั้นต่อคำร่่งเกิดดังช้างศึกที่อดทนต่อลูกสอนเพราะคนเป็นอันมากเป็นผู้ทุศีล บุคคลผู้อดกั้นต่อคำกล่าวร่วงเกินได้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์การตบมือข้างเดียวย่อมไม่ดังฉันได้เมื่อฝ่ายตรงข้ามสงบนิ่งทำหูทวนลมเช่การด่าอยู่แต่ฝ่ายเดียวก็ไร้ประโยชน์ฉันนั้นพวกปากรับจ้างด่าจนเมื่อยปากก็เกิดความเบื่อหน่ายเลิกด่าไปเอง เรื่องกอส็สงบลงในเจ็ดวันเราเหมือนช้างกลางสงครามสนามรบทนประสบแม้ถูกซึ่งลูกสอนจะทนคำล่วงเกินแท้นั้นแน่นอนคนมากค่อนข้างยึดประพฤติสามสำนวนอาจารย์สาวดี เขาด่าว่าเรายังหยาบคายด้วยเรื่องไม่จริงและโดยการอันไม่สมควรเขาเองควรจะเดือดร้อนด้วยความตำตามความโกหกตอแหลและความไม่รู้จักกาลเทศะของเขาไม่ใช่เราเดือดร้อนเมื่อบุคคลไปอยู่ในต่างถิ่นที่ไม่มีคนรู้จักไม่ควรจะถือตัว เราเป็นผู้มีศีลจะมาพูดหรือแสดงอาการไม่ครรพอย่างนี้กับเราไม่ได้พึงอดทนแม้จะเป็นคําขู่ตะคอกของทาสก็าตามและควรสร้างฉางใหญ่ไวสำหรับเก็บคาหยาบคายทั้งหลายผู้ใดในโลกนี้อดทนต่อถ้ายคาของคนที่ต่ำกว่าได้นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวความอดทนของผู้นั้นว่าสูงสุดมีความอดทนพึงได้ผล คือความไม่กระทบกระทั่งเวรทั้งหลายย่อมระงับด้วยกำลังแห่งขันติการกล่าวร้ายหรือหมิ่นประมาทเป็นเสมือนยาพิษซึ่งศัตรูวางแก่เราเพื่อให้เราโกรธแค้นเพื่อทำลายสมรรถภาพในการงานทำลายสุขภาพอนามัยและความสงบกายสบายใจของเราแล้เหตุชะนายเราจึงต้องลืนกินยาพิษที่เขาวางไว้เพื่อประทุษรายรา กำลังใจสำนวนโดยหลวงวิจิตวาทการเราอาจถูกคนด่าว่าเสียดสีหรือพูดดูหมิ่นให้เจ็บใจแต่ถ้าเรามีความอดกลั้นพอไม่ตกเป็นทาสของความโกรธและความวุ่วามแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะผ่านหายไปด้วยการทำเป็นรู้เท่าไม่ทันหรือทำเป็นไม่ได้ยินคนขนาดเราก็ไม่ใช่วิเศษมาแต่ไหนจะถูกเสียดสีว่าก่าวบ้างไมได้เทีหรือ ก็คนขนาดประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจยังถูกด่ากันโครมโครแล้วเราเป็นอะไรจะถูกกระทบกระเทือนบ้างไม่ได้หรือผู้คนบางคนดูเหมือนจะมีเรื่องกังวลอยู่แต่การแก้เผ็ดแก้แค้นหรือพูดจาโต้ตอบกับคนนั้นคนนี้อยู่เนืองนิดใครพูดจาแหลมมาเป็นต้องถูกโต้กลับไปอย่างสาสมถ้านึกไม่ออกในขณะนั้น ก็ต้องตอไตรตรองหาคำพูดที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บใจให้จงได้บางครั้งถึงกับนอนไม่หลับมีเรื่องเล่าว่าคนแจวเรือไปได้สองคูงน้ำแล้วพึ่งนึกคำโตอตอบได้อุตส่าห์แจวเรือกลับมาตอบเขาอีกสองสำคำแล้วจึงจากไปลองนึกดูเถิดก็ได้ว่าบุคคลที่ทำดังนี้จะมีความสุขตีอย่างไร จากหนังสือคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาโดยสุชีปุญญาณุภาพคนอื่นจะทําให้เราเป็นคนเลวไม่ได้คนที่จะทําให้เรากลายเป็นคนเลวได้มีอยู่คนเดียวในโลกนี้คือตัวของเราเองคนตั้งร้อยมารุมด่าเราวันยังค่ําก็ทําให้เรากลายเป็นคนเลวไปไม่ได้แต่ถ้าเราเองพูดจาหยาบคายด่าตอบหรือแสดงท่ายักษ์ท่า ม, มานออกมาเมื่อไหร่ เราก็จะกลายเป็นคนเร็วอย่างเขาด้วยการที่เขาด่าเรานั้นความมุ่งหมายของเขาคือจะทำให้เรากลายเป็นคนเร็วทำให้เรากลายเป็นบ้าเป็นหมูเป็นหมาถ้าเราควบคุมตัวเราไว้ได้ไม่ยอมเร็วตามเราก็เป็นผู้ชนะถ้าเอาความเร็วออกตอบเมื่อไรเขาก็เป็นฝ่ายชนะเพราะสามารถทาให้เราเร็วได้ตามแผนของเขาการที่เรายับยั้งตัวไว้ได้ ย่อมเป็นการทําตัวอย่างให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าในโลกนี้คนที่ไม่เลวเหมือนเขาก็ยังมีเป็นการช่วยฉุดใจเขาไว้ไม่ให้จมดิ่งลงสู่ความเลวจนเกินไปผู้ช่วยก็ได้กุศลจากหนังสือคลายสงสัยเล่มหนึ่งโดยพันเอกปิ่นมุทุ ก, กันเมื่อเขาด่ามาแทนที่จะคิดว่าให้นี่ด่าเรา ก็ไปคิดวิจารณ์คําด่าของเขาเสียก่อนว่าเขาด่าว่าอย่างไรอาจขอให้เขาด่าซ้ําอีกทีโดยบอกเขาว่าเราฟังไม่ทันเพราะด่ากระทันหันมากถ้าเขาด่าเราว่าคนหมาหมาเราก็วิจารณ์คําว่าคนหมาหมาก็คือคนยังไงนะหมายความว่าคนกับหมาสองตัวหรือหมายความว่าคนตีหมาหรือหมายความว่าหมากัดคน แล้วที่หวังหมาหมาน่ะรูปหมาหรือแม่หมาหมาไทยหรือหมาฝรั่งหมาตัวผู้หรือหมาตัวเมียคิดแล้วรู้เรื่องด่าสั้นเกินไปด่าไม่ถูกไวยากรณ์ไม่ระบุประธานกิริยากรรมไม่ระบุ ก, กาลว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตตกลงว่าคําด่ายังใช้ไม่ได้คืนเจ้าของเขาไปเรียบเรียงใหม่ดีกว่าการหัดคิดในแง่ขำอย่างนี้ทําให้เราเย็นลงโกรธช้า จากหนังสือสนิมในใจโดยพันเอกปิ่นมุทุกันถ้าเขาด่าฟังให้ดีใช่มีบ่อยเราต้องคอยจับประเด็นจนเห็นได้เขาด่าจบหากว่าเราไม่เข้าใจขอจงให้ด่าให้ฟังอีกครั้งเทียวถ้าถูกยิง ด้วยสายตาอย่าขุ่นข้องเราไม่ต้องจ้องตอบโต้โวาตาเขียวหากเขาค้อนแล้วหยุดไปในครั้งเดียวขออีกเที่ยวเชิญค้อนมาในตางาม เหมือนท่าทั้งห้าพระพุทธเจ้าทรงโอวาทพระราหุลให้ทําใจเหมือนท่าทั้งห้าคือดินน้ําไฟลมอากาศดังนี้เปรียบเหมือนคนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างขูดบ้างมูดบ้างน้าลายบ้างน้ําหนองบ้างเลือดบ้างลงที่แผ่นดินแผ่นดินจะอึดอัดหรือระอาหรือเกลียดด้วยของนั้น ก็หาไม่ฉันใดเธอจงเจริญโพวนาเสมอด้วยแผ่นดินฉันนั้นเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงำจิตของเธอได้เปรียบเหมือนคนทั้งหลายล้างของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างลงในแม่น้ําเปรียบเหมือนไฟย่อมเผาของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้าง เสพเหมือนลมย่อมพัดต้องของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างขูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างลมจะอึดอัดหรือระอา ห, หรือเกลียดด้วยของนั้นก็หาไม่ฉันใดเธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยลมฉันนั้นเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยลมอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงำจิตของเธอได้ เพื่อเหมือนอากาศไม่ตั้งอยู่ในที่ไหนนฉันใดเธอจงเจริญภาวนาเสมอเ้ืยออากาศฉันนั้นเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้ืยออากาศอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงาจิตของเธอได้ ธรรมดาแผ่นดินย่อมรับน้ำหนักของสิ่งต่างๆบนโลกไว้ได้ชั้นใดเราก็ควรอดทนต่อคำร่วงเกินของผู้คนในโลกไว้ได้ฉันนั้นธรรมดาน้ำย่อมอยู่ในสภาพที่เย็นฉันใดเราก็ควรอยู่ในสภาพที่เยือกเย็นเสมอคือไม่โกรธไม่เบียดเบียนด้วยอาศัยขันติและความเมตตากรุณาธรรมดาไฟย่อมเผาหญ้าติ่งไม้ใบไม้ฉันใดเราก็ควรเผากิเลสมีความโกรธเป็นต้น ด้วยไฟคือยานฉันนั้นธรรมดาพายุย่อมพัดหมุนหมู่ไม้ทั้งพวงให้พินาศฉันใดเราก็ควรขยี้กิเลสมีความโกรธเป็นต้นให้แหลกกรานฉันนั้นธรรมดาอากาศไม่มีใครจับยึดไว้ได้ฉันใดเราก็ไม่ควรให้กิเลสมีความโกรธเป็นต้นยึดถือได้ฉันนั้นภาษะเรียกอีกอย่างว่าสัมผัส หมายถึงการถูกต้องที่ทำให้เกิดความรู้สึกมีหกอย่างคือสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและสัมผัสทางใจผู้ใดสามารถทำใจเสมอด้วยดินน้ำไฟลมอากาศตามพุทธโอวาสนี้ได้ย่อมมีจิตใจมั่นคงเมื่อประสบกับสิ่งที่น่าพอใจก็ไม่ยินดีเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็ไม่ยินายดังนางจุระสุขพัทธาอริยสาวิกา ผู้โสดาบันได้กล่าวไว้ว่าถึงมีผู้ถากถางร่างกายข้างหนึ่งด้วยมีดพระทาร่างกายอีกข้างหนึ่งด้วยของหอมข้าพเจ้าก็ไม่มีความยินดียินร้ายผู้สามารถทําใจให้มันคงไม่ยินดียินร้ายได้เช่นนี้ความโกรธก็เกิดขึ้นไม่ได้ใครชอบใครชัง ช่เถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบือ่อใครบนทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอบางเสษฐสมบิณิทศสายดันตังกิริเมฆลังดิตะโภระเช า น, า น, นจ ม, นบมนจบพุทธวิธีชนะความโกรธสำนวนธรรมวัฏโทพิทุวัดโสมนัฑวิหารกรุงเทพมหาคนครคุณชัชวานชูสกุล รองศาสตราจารย์คึกเดียร์กันตามระให้เสียงตัวละครคุณสุพชัยจิตตาพิรักควบคุมเสียงสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลิตรายการ